ตันนี้แลนี่ครับเราจะได้มีเวลาปฏิบัตเต็มที่มันจริงเลยับเป็นแบบนี้ครับ เปกลามไม่พอมีอารมณเกิดขึ้นไม่ชอบมันพอมีความเกิดขึ้นไม่ชอบเข้าเลยนะเป็นกลามในแบเกียดเลยนี่นะแต่ขัการวางกายวางกายให้คลายก็คือคลายวางเจเป็กลางก็คือเป็นกางกับอารมณ์เปการาไม่ใช่ว่าแะอยู่ด้านฝ่ายซ้ายฝายขว า, ข า, ขวาไม่ใช่แบบนั้นนะ แต่ต อ, อนติดตามหมายถึงว่าไม่มีอาการกิจกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นนี่อกาิที่คือความชอบความชังนีอันนี้คือใจติดตามเตือนน ะ, นะไม่ใช่ว่าอารมณ์ดีก็ชอบอารมณ์ไม่ดีก็ไม่ชอบแต่นะี่คือใจไม่ เ, อ, เ, อ, นนะเอ็งตามอยู่แบบนันแามคืออารมณ์หรืออาการเกิดขึ้นกับกายกับใจแล ะ, ะเหมือนใจที่สติเออไม่ไรีว่าไม่ใม่รู้เปิดชอบเปิดชังเขา หรือบางทีก็โดดไป้อบไปทมแต่ก็กลับมาเป็นการใหม่ได้และนี้คือคื อ, อความเป็นการความมั่นงเลยแลบวตรเนี้ยป็นสิ่งที่เราต้าากงฝึาการที่ปฏิบัติธรรมนะเันช่วยให้เรานะเรีว่าเข้าใจสภาวะตรงนี้มนะั้เหมือนกับเราขับรถขีดตะกี้แต่ตะยานนะขนะี่ได้ยานใ ห, หม่ๆบอให้เหออ ทาตัวสบายๆนะาย่ีไปจับแฮนด์เกงเกินไปนะนั่งดีๆนะแต่เมื่ี่สนามขับไปไหนเราจะขี่ไปไหนเราจะล้ใช่นั่นกะ็ต้องเจ็บบ้างหรือว่าออกนอลู่นากทางบ้างเพราะว่ า, วามันไม่รู้ว่าไอ้ของตัวสบายๆคปปือแบบไหนไอนะ้จับแฮนด์ไม่เกงเกินไปคือแบบไหนมันจะไม่รู้อันนี้ก็เหมือนการจะปฏิบัติทำนะแต่้อไม่รู้ว่าเออ ยกมือแบบไหนพอดีเดินแบบไหนพอดีใจวาแบบไหนของใครสบายดีเนะี่ยคือเราไม่ถนัดนะแล้วมาฝึ ก, กตวเ น, นี้ฝึกตัวนี้มาอาจจะลบลุกคานบ้าง น, นี่ก็เป็นธรรมดานะความพอดีมันไม่สามารถจะประคองรือว่าทำมอยู่ตลอดได้ตลอดนะดันะนะะนั้นทิ่จริาางตลอำไม่ต้องกลัวว่ามันจนะผิดความผิดบาทีมมีมากกว่าความถูกไลยทั้งวันะ สิ่งที่เราคิดสิงที่เผลอไปมันมีมากนะแต่ถ้ารปฏิบัตธรรมมันมันดีมันดีอย่างคือเราไม่เอาความคิดนั้นมาเป็นความผูกอย่างเดียวแต่ขณะที่เรารู้ว่ามันผิดไปแล้วแหละความถูกหรือว่าสติก็กลับมาแล้วรู้ว่ามันเพ่งไปจิตที่ร่วมาเพ่งไปมันก็จะตัดมักไปรู้ว่เผลอไปจิตที่รู้ว่ามันเผลอได้คิดเผลอไปดูอะไรนะ มันก็จะรู้จะกลัดมากเองดังนั้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะจะผิดนะไม่ต้องกัวว่าจะผิดไม่ต้องฟังบทว่ามันจะไม่ดีไม่ต้องฟังบทว่ตอนนี้มัดีต่อไปมัใช้ไม่ดีนะมันจะไม่ดีอีกครั้งก็ไม่เป็นไรก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ในคือใจจะเป็นการตรงนี้มากขึ้นพอเราไปเรื่อยๆแล้วอารมอะไปต่างๆที่เกิดขึ้นจะดีก็ตามไม่ดีก็ตาม เราก็ไม่สามารถรับข้ามมาที่อยู่ตลอดไปได้นะนันก็เองของมันมันเกิดขึ้นมาขรงมันถ้าท้ามมันก็หลไปของมันเองนะแต่สติเราจะทำให้เกิดความรู้ตัวใหม่ขึ้นมาแทนที่บ่อยๆบ่อยๆแท่อันนี้คือสติแบบนี้แล้วก็สุิทุกวันสติเป็นกายเปานใจเรียกว่าเป็นเครื่องคุ้มครองคุ้มครองกายคุ้มครองวาจาคุ้มครองจิตใจของเรานั ให้มีฟุกงนะเหืองทีพอเป็พฟุ้แล้วก็ิบัติหน้าที่ให้กายวลจาใ จ, จกลับมาให้ฟุกงนะมันรวมลงมาที่นี่นะรวมลงมาที่กายวาจาใจมันให้แหลกนะรวมลงมาเรามีสติคอยรู้ทันแล้วนกะ็รู้ทัอารมณตรงนี้เกิดขึ้นก็เกิดกันให้มากแล้วกันนะแล้วก็จะได้สังเกตรู้ทันตันนวเอนะงนนะในรูปแบบจะได้ช่วยอนะไรได้มาก ดราตัวแบบก็ต <c ười> ้องึกต่อเป็นไงทานอาหารเป็นว <c ười> ันเป็นไงวะอร่อยไหมอร่อยมากจริงจริงอร่อยมากกินถุงจู้ตู้ตู้นี้เนี่ยไปมก่อนอร่อยมากกินมากไม่อร่อยก็ไม่อยากกินไงโ อร่อยก็กินซมากเกินไปไม่อร่อยก็กินแซะน้อยเลยอืมบางทีก็แค่อร่อยเราก็สามารถรู้ได้ว่าอร่อยแต่เราจะได้มีจิตที่ยืนพอดีไม่อร่อยบางทีไม่อร่อยก็พยายินให้มันเป็ัปรทางชีวิตหรือนอกจากบางทีรสชาติไม่ไหวจริงเผ็ดเกินไปเยอะนิก็กินแต่นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ที่ว่าจิตไม่ไปติด คองไปกับคนนั้นก็ได้นะอะไรมันก็จะจไปนะอาหารที่ดีกันนานไหนอรันนาใ น, ในไหนกายต่อไปก็กลายเป็นไรกายเป็นขี้เหมือนกันนะนัแหละนะมันจะเป็นเทนน่าของมันนะมันก็เป็นบาระดาแล้วก็เนี่ยราก็ไม่ติด น, นะในรสชา ต, รตรนินี้นะก็กินไปตามที่มันมีให้กินแต่โดยภาพมันดีอย่างนะ มันไม่ค่อยได้เลือดแต่โยนเนี่ยมันจะต้องมีอีกอย่างหนึ่งที่ต้องรูทันคือตอนที่เลือกเนี่แะนะตอนที่กินมันก็มีรสชาตินะแต่ตอนที่เลือกเนี่แหลก็ต้องระดับสติเหมือนกันนะถ้าเป็นปลาบางทีมันก็มีได้เลือกนะแต่ถ้าเป็นโยนในบางทีก็ต้องเลือดใช้สติปัญญาในการเลือกที่จะมาอะไรกินที่แอนติบอเกิดประโยชน์หรือที่เกิดประโยชน์นะ เราสามารถเลือได้นะเราสามารถเลือกได้อันนี้ก็เป็นกรามไปนะกรรมกรรมอย่างหนึ่งนะที่จรกก็คอการจะทำการจะทาก็เกิดจากการเลือกของเราเนี่แหละนะแล้วกรรที่พุทธศสนานน้คือกรรที่เกิดจากการกระทาในปัจจุบันเนี่ยนะี่บากกรรมในอดีตอาจจะส่งผลตส่งผลให้บาคนเป็นรคบางเอง ส่งผลให้บางคนต้องที่การส่งผลให้พ่อแม่คนพักร้าแากไปส่งผลให้ต้องเจอกับปัญหาอในที่ทํางานนะฮะอันนี้คือพิบาทของกรรมนะคือผลที่เกิดจากการในอดีตหรือว่าผลที่เกิดจากกรรมของสังคมนะเออมาติดกรุงเทพนะมันไม่ใช่กรรมเราเเดียวนะมันเป็นกรรมงสังคมแบบนั้น ฝนนตกเนี่ยมันก็ไม่้ตกแต่บ้านเรามันก็ตกทั่วทั่วไปบริเวณั้งนี้มันซีิติมครแต่ครนี้อย่างเนี้ยแต่กรรมในปฏิบัติของเราคือเราสามารถเลือกได้นะเลือกได้ทั้งทางทางใจนเช่นเราจะเลือกที่จะเด็ดรุ่กมันนะเช่นต้อติดเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะทุกไหมหรือว่าจะมีทุก นี่คือความตัใจที่เราเลือกการการการแต่ทำก็เป็นสิ่งที่เราเลือกได้เหมือนกันนะบางทีนะเช่นเช่นมีคนตกทุกข์ยากเรารู้เราเห็นเราก็เลือกได้ที่เราเด็วยก็ได้หรือเราก็เลือกได้ทีช่วยก็ได้หรือเราเลือกที่จะตั้งใจเพิ่มก็ได้นี่คือการแต่ทำนะใช่ไหมเห็นคนเห็นคนทุกข์ทุยาก เราบางคนก็ไม่ก็ไม่คิดอะไรนะไม่ใช่เรื่องของเราก็ดีนะจะช่วยไปก็ดีหรือบางคนเออว่มีกําลังช่วยจะช่วยไปหรือบางคนได้โอกาสจะตามเติอนคนนีอันนี้คือนี่ก็คืองานทานะงานทำนะหรือพ่อแม่เราป่วยอาจจะมีพี่น้องหลายคนดีแล้วได้ใจเรื่องที่จะเป็นคนดูแลพ่อแม่ แต่บางก็เลือกที่เะกวงเงินให้พ่อแม่ดือให้พี่ห้องคนอื่ดูอันนี้ก็องเป็นการเลือกแล้วรนะแต่บางทีอยู่ที่เหตุมีที่ปัจจัยของแต่ละคนที่จะเลือกด้วยนี่คือการทําบางคนก็เลือกที่จะดีก็มีนะเห็นว่าเป็นภาระนี่ก็คือสิ่งที่เราเลือกนี่แหละคือการจะทำนอกจากการเลือกในทางทางใจก็คือเลือกที่จะทุกข์หรือว่าไม่ทุกข์กับมาการจะทําที่เสร็จ กาก็าการนอนี่ก็เป็นสิ่ที่จะส่งผลนะจะกลายเป็นิสัยต่อไปหรือจะไปเป็นพุทธธรรมที่จะส่งเสริมที่จะทาให้เรียกว่าอินทรีย์ของเรามันแก่ด้มากขึ้นเช่นนะท่าเนี่ยท่าเนภาพปฏิบัติเช่นปฏิบัติง่วงนอนนะง่วงนอนมากบางคนก็จืเจือคจะรับู้ได้ เหมือนอีสุรัเนาะไปปบต่อน่าะไปสรากก่อนท่านอาดิกณ์ตั้งใจจะอยู่ตีโมแต่พอปฏิบัติสักัก็ง่วงนะเดี๋ยวไปทำสุรักดีกว่าจะได้เต้นต้อสู้กมันอันนี้ก็คือวิธีเลือกองเรานะหรือบางคนก็าปฏิบัตทำถ้าเราไม่ปฏิบับแบบนี้เนาะปฏิบัติสักทักเงินกดี๋ยตอนนี้เรืเรียก เด <suspenseful> nope ี๋ยวไปทำนะดีกว่าเราเจอใรณีนี้เราเห็นเห็นบ้านนันลบเล็นึงเราเลือกเป็นกว่าบ้านดีกว่ามันกินงื่อนเลือกที่เด็กไปไปไปทำอื่นเพราะว่าเห็ว่ามันกินทำมนเดือทมันไม่สบายนีก็คือการเลือกเหมือนกันแต่เราก็มาเลือกได้เช่นง่วงเขาพวมว่าง่วงแต่เราก็ตั้งใจล้วนี่ว่านีเราไปปฏิบัติในรูปแบบแบบนี้ ก็มว่าแตู่มน่หมรือว่าเราทั้งใแล้วต้องไปเนียจะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเกก็ได้แต่บารู้สึกแไม่สบายอาเบือเล่ขไปันนี้ไม่มีตืนันนี้พระอาจารย์ที่ติวอาชไม่ชอบเลยูนะไม่ชอบเลยจะเืแต่เพอตั้งใจแล้วนะครับก็เืก็เบือก็ดูไปช่ยดูไปที่ ก็ดูไปเรื่องตื่แต่ทำของเราเนี่ยถ้าเราข้ามณ้ามอะไรต่างพวกนี้ได้เองเนี่ยมันจะทาให้คุณธรรมต่างเพิ่มขึนเช่นความอดทนความเพียรนิยะนะนะสติสมาธิปัญญาก็จะมากขึ้นอันนี้ตื่นแต่ทำนะหรือบางคนตั้งใจหัวใจจะไปกติทุกวันแต่ก่อนเอาทุกตั้งใจแล้วทำให้ได้แค่สิบนาที บางบางานนั้นเหนื่อยเกินไม่ไหวแล้วที่ขอบหอบเบื่อใจอะไรแบ้พวกแบบนี้นะแต่ถ้าเราเออเราจะไปรักษาตรจแจกดีกว่าเหนื่อยขนาไหนปิดนาทีเอารักษาตรจแจกดีกว่าก็ทํำได้นี่ก็คือเป็นมันจะตั้งนิสัยของเราก็คือการกระทํานี่คือคำที่เราทํานี่คือคำประฐานนะประทานทุกครั้งที่มีบททดสอบเกิดอารมณ์ ความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วเราสามารถเรียกว่าไม่ไม่หลงเชื่อกับความคิดนะที่กิเด็กเขาบางทีมันมาในเรื่องของเกลียดผลเสยงานด้วยซ้ำนะมีข้ออ้างต่างๆหลายต้นมากมายแต่ถ้าเรามีความตั้งใจแล้วแล้วก็นะกล้าข้ามไม่ได้นะลอกจ่ามันจะเป็นจริงๆอนนั้นก็เป็นอีกเรื่องนะอันเป็นเพราะว่าก็รักความรู้และแต่บางคนนะ่ะ เราปฏิบัติทมเห็นคนเขาเยาะต้องมเขาเชยในใจนะก็สามารถทำได้นี่คือสิ่งที่ที่เราต้องเลือกเราก็องเลือกอาอันนี้น้องให้เราสังเกตเลยไอ้คนเนี้ยมันจะไปทําให้ถ้าเราปฏิบัติแบบนี้ได้มันเราจะรู้เลยว่าอการปฏิบัติทำนี่มันทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพื่อสามารถเลือกได้แม้แต่บางทีนะเมื่อเราทานาหารกับเพื่อน ก้ก oh, ับข้าวนี one, ้มันอร่อยดีเราชอบก็อยากจะกินนันนี้แหละจริงแล้วก็กินในนี้เพื่อนบางคนก็อยากกินกันนะแต่เราก็กินหมดัวเดียวก็าไม่มีนี่ก็ดีเราก็เลยเอาความชอบของเราไปนทําตามความชอบไปอันนี้ก็ถ้าเรารู้ทานกินพอประมาณแต่เพื่อนกินด้วยนะอันนี้หร่อยเนี่ยคือถ้ากินมากติดนี่ก็ก็ตูดแบบนี้ไปได้นะ นี่คือสิ่งที่แต่แต่บางทีเราก็บางทีมีไหมอันนี้ไม่มมเกี่ยวไม่ม <c ười> นะเกีเ่ยวแต่แท้จีิเองนี่ก็มีนะคือสิ่งที่เราต้องรูนนะ้คานะพวกที่เป็นเป็นความเจ้าเร่ขงจิตจิตนี่แหละมันเป็นตัวที่รอกหลอกให้เราลัาหลอกให้เราจามลอกให้เราลงหรอกเร า, าเก่งที่สุด แต่จิตนี้ถ้าฝึก ด, ดีแล้วก็จะเป็นเป็นบาวที่ดีนะเพราะเวลาจิตนี้ก็จะทําให้คิดหรือว่าทาหรือว่าพูดในทางที่ดีจิตที่ฝึก ด, ดีแล้วนะพระโต้งก็บอกจิตที่ฝึก ด, ดีแล้วนําสุขมาให้แต่ถ้าจิตที่ฝึกไม่ดีเน่ยก็นำทุกข์มาให้เหมือนกับมา้าถ้าฝึก ด, ดีก็ใช้ขี่กนะ็ได้ แต่ถ้าฝึกไม่ดีก็ไม่เกิดไประโยชน์ก็ให้ขาให้ยากให้น้ำเฉใๆไม่เกิดประโยชน์หรือถ้ากี่ไปก็เกิดประโยชน์เราก็ตกแต่ร้านน้ใช่ไหมอันนี้แกิจที่ฝึกดีก็นําสุนทรให้แต่ถ้ากิจที่ไม่ฝึกก็จะนําทุกมาให้นะจีนเนี้ยกิจที่ไม่ฝึกก็คืออะไรพอมีคําพูดเกิดขึ้นมาแล้วก็รับคาพูดนั้นเป็นของทุกใจใช่ไหม มีโรคภัยที่เจ็บเกิดขึ้นกับกายจิตที่ไม่ได้ฝึกก็จะรู้สึกว่าเราเจ็บเราทุกข์เราป่วยก็ไม่สามารถออกจากความเจ็บความทุกข์ความป่วยได้นี่คือจิตนะแต่ถ้าจิตที่ฝึกแล้วก็จะเห็นว่าอ๋อกายมันป่วยกายทุกข์การเจ็บจิตไม่ได้มีนื่อทุกข์ด้วยอันนี้คือจิตที่ฝึกแล้มันเป็นแค่นี้นะเราต้องพยายามฝึกจิตแค่นี้เปเรื่อย แต่ก็ไม่ฝึกเพื live awesome. ่อให้คิดเพ้าจิตนี้เป็นตัวเป็นตัวของเราแต่ฝึกเพื่อให้เห็นว่าจิตนี้เป็นภาษาอาการอย่างหนึ่งที่เราต้องเกี่ยวข้องอยู่แราเกี่ยวข้องกับตายอยู่ทั้งเกี่ยวข้องกับจิตอยู่ก็เกี่ยวข้องไปทำหน้าที่ตามอาการไปอันนี้เนาะก็แบบนีนะถ้าใครจะนั่งก็นั่งขอบคอนั่งแล้วอีแกันนะแอบเกตตัวเลยรอบ ก็เราในห้องก็เราเดินไปไปจะเดินไปใช้้ที่ต่างๆนะเดินโค้งนะเด็ก็ก็เดินก็ได้นั่ก็ได้แล้วนะเดินกนั่งก็นั่งก สัปดาห์ที่สานมาก็มีเด็กี่เป็นไอ้วบมันอยู่กับแม่เจ็ดแปดตันมาตึกบ้างก็มีแอบไปพักผ่นเดินเล่นบ้างแต่ก็เงอยู่ดือดปฏิบัติตอนแล้วแม่จอออกมาคนเดียวพอวิ่งรูุก็เลยไม่ยอมรอไห้ให้แม่ช่วเกือให้มาด้วยยอมขาดโรงเรียน ก็ามาปฏิบัติธรรมเป็นเด็กที่เคยฝึกคอรเด็กมาก่อนนะ ท, ที่นั่นก็มีอบรมคอรเด็กเหอนกันคอร์สเมีปฏิบัติทรรบ้างมีที่จะทำบ้างแต่คอร์สใหญ่ก็จะเน้นปฏิบัติธรรมเด็กตัวนี้นาา ก, นนะก็นาฬิกา11ขวบก็มาอยู่คอร์สใหญ่ไม่ได้ดี คูตัวสายๆดูกายทั้งกายในทิ้งแจ้เส่ในดูาั้งกายมีแล้อารมณ์เกิดขึ้นมาก็นะแค่ดูแค่ดูเขานักแต่เวลเกิดขึ้นก็แตกความง่มงเป็นความคิดเป็นความสงสัยจะเป็นความเบิ่อปานใจ หไม่งไม่ได้อาการของคายต้นนะครับอาการของคายก็เก็บปวดเมื่อยก็สังเกตไปเก็บปวดมากๆก็เปลี่ยนเข้าไปอันนี้นะจะเป็นทุกขใจกับเขา ใจนะก็บาครั้งกคิดไป ความคิดนี้ทำในเราไม่ได้แล้วน่นนั่นปฏิบัติธรรมนี่มีประพาว่าเรียกว่ามีในน้องในใจนะเดิมาที่มาเราว่ารู้ทางกีดคล้ายคล้ายเหมือ น, น, อ น, นะ น, ถ, นอถ้าเราได้เกมได้อะไรแล้วเราเราจับทางจับเทคนิคได้แล้วเนี่ยสบายล้ ในเทคนิคแล้วไม่ยากละ แ, แต่แต่ต้องไม่ไม่ต่ำมานะตอนนี้เรารูทางก็ต้องไม่ต่ำมาเราตรวจูอไปเรื่อยๆเดยไปบ้านทาน ไปแล้วก็แก่ไปเจ็บอะไ่งเนี้ยอันนี้เป็นธรรมดาแต่เราสังเกตจิตนะนะใจของเรารู้ทันของเราเวลาเกิดเกตุการณ์เช่ั้นจะิตสจของเรามีอาการเช่นใดเราเรการเห็นตรงนี้ไม่ผิดบางครั้งยนะบางครั้งเราเไปอยู่อยู่ง่ายๆต่อไปแล้วมันก็ นีมันก็ยังมีอยูแต่ก็น้อยลงหรือเคยปกดกดหน้าปดมากแล้วก็ปวดน้อยน้อยลงหรือบางคราวคิดมากคุงกคานมากก็คุคามน้อยลงหรือบางคราวเจอโรคนี้ยเจออาการแนี้ยเจอคนแบบนี้เคยเคยเคยไม่ไหวต่อไปก็เออมันก็เย็นมากขึ้นมีไหม ยเยูนีเลยมีนะโอมีนะมีอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นพัฒนาการ น, นะพัฒนาการทจริงก็คุ้นนี่แหละนะบางทีมันไม่เกี่ยวหรอกเพว่าเราแก่ขึ้นไม่เกี่ยวนะวพราะเราประสบการณ์ีเรามากขึ้นนะเราบางคนแก่มากขึ้นประสบการณ์ยืดมากขึ้นบางทีเป็นมากกว่เก่าก็นีเป็นมากกว่าเก่าก็มี มันก็ไม่แน่แต่เราควรดูเหมือนไม่ได้ภาวนาแต่ท่านในชีวิตเขาเห็นการรักษาสูญเสียเห็นความสุขความทุกข์เห็นหน้าหน้าหัวเยอะหรือว่าสรรเสริญนินทางก็เป็นทางการผู้ต้องโทษบางทีเขาก็ทําในใจแล้่ปฏิบัติธรรมก็บางทีก็ทําในใจทําในใจก็คือเราคิดเในใจเป็นแบบไร มัอนไม่มีใครู้นะแต่มันมันมันก็ใคร้ตัวหรือว่าแตกตองอยู่ภายในอันนี้คือการเรียกว่าทําในใจโด ย, ยียกภายนนี้ทางภานอกยกมือท่านท่านว่าเดินจนกลมไปรักษาศีลไปฟนคามธรรมเนี่ยทางภายนอกแต่ทําภายในหรือว่าทําในใจก็คือเนี่ยเห็นเรื่องราวชีวิตของผู้อื่น หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชี่ิตตนเขาเรียกว่าเรียกวามีการพิจารณาหรือว่ามีการปล่อยวางอันนี้คือการทำใจนะฮะทำไมทาไมผู้ัดการหลายหลายคนเข้าใจธรรมะทั้งทางที่บางทีไม่ได้อยู่ในรูปแบบการปฏิบัติธรรมไม่ได้ไปนั่งธรมาที่ไม่ได้เดินใมนะบางทีไม่ได้บวดหรือท้าไปก็อะไร พระพุทธเจ้าท่านท่นเทศท่านเทศความจริงของจริตแล้วก็คนที่ฟังก็ทำในใจตางไปต้งสังขาคือร่างกายคือจิตใจมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์กมันไม่เป็นตัวตนแบบไห น, นก็ทําในใจทามไปเลยก็เห็นความไม่เที่ยงของจิตใจเห็นความไม่เที่ยงของร่าง ก, กาย เห็นความไม่ใช่ตัวตนนั่นก็คือทำในใจไปเรื่อยในตอนนี้เกิดความทำใใจแล้วก็เลยางในใจไปเพราะพอใจวางก็เรียกว่าเข้าใจธรรมะนี่คืาทในใจที่สาคัญนะเกิดเหตการณ์ใดซึ่งแบชีวิตเราเราเราหีว่าใจเราหรือว่าเก็นมันเป็นธรรมะธรรมะหลวงพ่อสังเกตบาทีท่านบ๊เต้เอกว่า ความเสียงคือเสียงเหมือนเสียงสวดมนต์มองคนก็คนเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนไหนให้มีวิพาดอยู่ที่นั้นความเสียงคือเสียงคือเสียงสวดมนต์ใช่ไหมคือเสียงสวดมน์ก็สวดมน์ก็หมายถึงเสียงพระพุทธองค์ต่างใช่ไหมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าคือการสวดมนต์นะครับสวดมน์ก็คือสวดการวัดสูตรการคำสอของพระพุทธเจ้า แต่ถ้าเราเอาเสียงทุเสียงเนี่ยเป็นคำสอ น, นะ เ, น, เ, อนเนี่ยเป็นธรรมะทันะ้นบนนะเราไปเจริญเนิทาก็ธรรมะนะแผ่เตอร์ก็ธรรมะนะนักปู่ทองั้งก็มีตอนนีมีคนเขียนเขียนบทสนเทให้ท่านนั่นบทเสนเทเก็เขียนดานั่ยแหละนะดาว่าเป็นพระแผ่เตอรไม่เรียบร้อยอียังไม่ยางไม่เรียบร้อยนะ ออกไปจากบ้านบ้านรูน้สินี้นะอตอ้ตัวนั้นนะใส่ไม่มีเขาใส่ในบาตรตอนเช้าที่มีบาตรใ้ถ่ายเอกสามาเรียนเอามาอ่านนานๆเลยนะเขาเขียนว่าอรไรการนม่ค้องรู้สิก็อ่านแบบแน่นะออนี่นนะเรีนเอาไปไว้โดยนี่พารเลยนะอเอาไว้ปราบเอาไว้บูชาบูชาอะไรบูชาโรคกระเทาะไม่ใช่บูชาคำเรียนคา ปูชาแลเียเป็นสิ่นี้เป็นโลกธรรมเป็นธรรมดาของโลกดีนะความเสียได้กินได้แต่เท็นเป็นธรรมะหมดแต่ถ้าเราไม่ไม่พิจารณาโดยจัในใจโยแยกายมันไม่ได้เกิดความหลงคาใจเสียงดังทั้งคาบนะฮนเลนาะฟลอกลันคาบเราว่านี้ไม่ไม่ถูกเลยนะครับ มันก็เกิดความทุกข์ในใจแต่ถ้าเราอืนก็เป็นเสียงหนึ่งพิจารณาดูบ้างตกรณีบางทีที่เขาว่าขาดอถูกก็ได้ขาดอยูกก็ได้เหมือนจขอบคุณเขาแต่ถ้าไม่ถูเออก็ไม่เป็นไรถูกก็ขอบคุณไม่ดูกก็ไม่เป็นไรนะฮะดูอะไรจะแก้ไขไม่ถูกก็ไม่เป็นไรไม่แก้ตัว ถ้าเห็นว่าเสียงรูปเสียงเนี่ยคือเสียงที่ที่จริงถ้าจะเน้นในการสอบประลองเราเช่นบางทีไอเสียงไม่ดีเราก็ไม่ชอบนะบางทีก็อาจจะระบายได้ง่ายระวายบางคนนะแต่เสียงที่ดีเนี่ยเสียงโอ้นะคเก่งจังเลยนะดีจันเลยน่ารักจันเลยนะเลยนั้นบางทีเราจะโดดได้ง่าย เราไม่เย็นไห้เราไม่เป็นเทวดาหรือนาฟ้าเราไปติสุขติดสบายติดความติดความชมแค่นี้ืองเราก็ต้องรู้ทันนะบางทีอาการเรื่องแกงปูแกงปูก็เกิดจากความชมแกงปูก็เกิดจากความย่อมย่อมนักถือหรือแกงปูก็เกิดจากสถานาที่เราดูมีค่าหรือว่า เรามีอำนาจบางอย่างขึ้นให้ข่าให้มาวางเขาเได้มันก็อจะทำใหิตเกิดฟูได้เราก็ต้องรู้ทนะปฏิบัติญาของคนที่มาเกี่ยวข้องกับเราเขาพิการที่เกี่ยวข้องเราเรารู้ทิตองเราคือทจิตละจิตที่มันูขึ้นมาหรืองคาวบางบทาหน้าบาบทหน้าที่เกี่ยวข้องเขาก็มีปฏิญาอยู่แบบหนึ่งใจเราแทกอ่า แต่ม <my> ันเดือดก็ฟ right? <Yes. S 1> ูเดือดก็แฝดเดือดก็ูเลือก็แฝดจีบเป็นแบบไหนเรารู้ทันนักไม่ได้อ้ามแต่พอเรารู้ทันตอนนี้มันจะเห็นได้ว่าอาการฟูก็เดอดก็ตกไปอาการแฝดเดือดก็ตกไปไปที่อะไรก็ไม่อ้าะจีบมันก็จะเป็นกลางจีดมันจะอ้ามต่อไปอาการฟูอาการแฝก็จะน้อยลงหว่างไปวน้อยลงแต่ไม่ได้เดนชานะไม่ใช่ ม่ใช่เด็กชา้าไม่เกิดชื่อะแต่มันรู้แล้วมันไม่เอามันรู้แล้วไม่เอารู้แล้วไม่ยึดรู้รรนะว่านี่คือความารุณนี่คือความสุนทรรู้นี่คือความสุขนี่คือความทุกข์แต่รู้แล้วมันจะไม่ยึดมันรู้แล้วไม่ยึดคือตอนนี้คือสิ่งที่เราสังเกตยในชีวิตปัจจุบันของเราเนี่ยการปฏิบัติธรรก็จะให้พวกเราเกิดเต็มข้าวหน้า ก็อย่างที่พูดในกตอนเช้าคือเราก็กภารณาทั้งในรูปแบบแล้วก็นอกรูปแบบแค่รู้สึกแค่เอาเสียงผู้เสียงไปเป็นครูสอนธรรมะเราคนก็เหมือนกันการกระทําต่อเขาสียาวมาแยกของเขาก็มีทั้งแบบอย่างที่ดีมีทั้งตัวอย่างที่มีคนเอาอย่างนี้ก็มีก็คือเขาก็สอนธรรมะเราได้ขนาดนี้ไปอยู่ที่ไหนๆก็มีนิพพานยที่ นิพพานอยู่ที่ไหนนิพพานไม่ใช่ต้องไปสวรรค์เช่นไหนต้องไ ป, ปสถ า, านที่ใดแต่นิพพานติดใจที่สมองเองเนี่ยติใจที่นิพพานนิพพานถือความรูตัวรู้แล้วไม่ทุกข์นะคือนิพพานเนีย่น ย, ย, ยถ้าเราสังเกตเ อ, อเราไปวางต า, มมาอะไรนั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้ตัวเลยว่า น, นั่งหายใจอยู่รู้ตัวเลยว่าหายใจอยู่กินข้ารู้ตัวก็ ก, วกินข้าวแต่เี่พูดว่าสละแค่กินข้าว ท่นกำลัมากไม่เนาะคือรู้กิริยของกายว็มาอยู่ท้าไหนนะหรือรู้ทางกิกายของใจวิ่งไหลไปอะไรนั่คือรู้นี้แค่รู้ผิดเฉยรู้ผิดเฉยเนี่ยสำคัญที่สุดนะรู้ซื่อรู้ผิดเฉยหรือว่าบางทีก็เรียกรู้ด้วยใจเป็นตามรู้ด้วยใจตัางมันคำเดียวั้นแหละนะ้าเป็นอาการของใจที่เราต้องสังเกตแล้วก็ู้งไปเ่ย่เรา ภาวนาเนะาะท่านนายตุ้มแบบท่านนอกทุ้มแบบกจริงมันก็มีอีกหลายส่วนที่จะเป็นตัวองค์ประกอบมาช่วยองคประกอบเช่นเรียกว่าถ้าเรียกว่าเป็นปัจจัยภายนอกก็ไล้ปัจจัยภายนอกเช่นสถานที่ใช่ไหมสถานที่เย็นส บ, บายมีเพื่อนปฏิบททัติความด้วยเนี่ยก็จะกรอกบรรยากาศให้เรามีกำลังใจให้มีสติมากขึ้นแต่ถ้าเราไปเดินในห้างเดินในตลาดเนี่ยอาบจะ สถานที่ไม่เปสัพยาธนะิอาจจะรุกบายเขียนดางสิ่งแล้ออกระเยอะอันนี้อันนี้คือะถานที่สะะัพยาก็มีส่วนช่วยนะการยันมิตรนะเรามีกาันมิตรไหมนะในที่บ้านในที่ทา ง, งานการยันมิตอาจจะเป็นบุคคลหรือ อ, อาจจะเป็นสื่อก็ไดนะ้มีการความธรรมอยู่เสมอไม่มีหนัสธรรมะให้ได้อ่านบ้างห มีการตรวจมลบ้างด้วาป่าในแต่ละวันนะคือที่จรีมันตัวนี้ก็เป็นการยันีิธีเราขนาน่ะต้องจัดการการยานวิธบ้างจัดการบรรากบ้างมันก็อจะช่วยนะช่วยในแต่ละวันถ้าเรามีเหมือนแต่นอกจากความพังนะมันเลือกไม่ได้นะไปกระดานก็ต้องไปเจออารมณ์อยู่ที่ทำงานก็เจออารมณ์กระทบก็เลือกไม่ได้ก็ก็ใช้เป็นแบบก็สอง เละเราปัจจัยภายนอกฝาก้ังเราก็จัดการบ้านนะอย่างเนี้ยอยู่ในห้องแอร์สบานไปเดินทางยาดตาบุตรีแดดร้อนม่างวันนอนหนาวฝนตกไปในบางทีเปิดื่นของท้อใจนะแต่ก่อนไปนเียนพิโรงทีก็ทำไมเราต้องมาเดินร้อนแบบนี้เนา เหนือนเดินขึ้นเขาตืหนอเดินทำไหนะมาอยู่วัดสบายมาเดินทำไมให้ลำบากมาชีความคิดในใจมันได้โผขึ้นมามาขี่ต้องมาขี่กาต้องตั้สถานการณ์ใจิตมันได้เจรตรว่าที่มันเป็นบททสอบว่าปฏิบัติทําห้องแคร์มันก็สบายไปตากแดดเดินวนไหนนะสังเกตดูนะังเกตัวปฏิบัติทำในที่เงียบสมันก็ได้อารมณ์ดี แต่เราเจอที่มืดวายเปลี่ยนดังจีไอวันแบบไหนนีก็บางทีก็ต้องทำเปลี่ยนนะบางทีเราก็จัดการะระยะในบางขณะแต่บางขณะเราก็ต้องจัดการในการเตรียมตัอบตัวเองือว่าเป็นไงไปเข้าสนามจริงดูด่ะหรือว่าไปในกิจรกรรมที่มันมันก็ท้าทา ย, ยแต่ท้าทายแบบไม่ใช่แบบไม่ใช่ไปไปเราปฏิบัติธรรมหรือใน ใ 8, 3, นความเบบานเนี่ะอันนั้นมีมีเหมือนกันนะปีเคได้ยินตาผู้หนึ่งตันนะั้นาบอกว่าท่านยังไม่ดว น, นนะแต่ต้องปฏิบัติธรรมแล้วแเารู้สึกตัวเองแบบนี้คล้ายๆเข้าใจ ม, มารมะหรือรู้ธรรมแล้วแตนถ้าเราถ้าเคยรอไปเข้าลหนังไปดูหนังหนังหนังโป๊แบบนี้นไ ป, ปรูว่าอารมณ์เป็นแนะบบไหนแต่นั้นมันมันก็เกินไปนะ หรืทีเราไม่ต้องถึงขังน้นต้องไปทดสอบดูแ บ, บนั้นนะฮะหรือไม่ต้องไปก็ตอบนะต้องไปดูไปครับไปพายไต่า ง, งไม่เเเเจรรมนนะเป็นแต่ถึงแค่เจอเราจะบธรรมดาธรรมดาไม่แน่จิตใจเปนแบบไหนหรือสถานการณ์ในชีวิตที่เราสามารถจัดสรไปได้เป็น อ, อย่างทำย่าตายนะฮะหลายคนอกอไปทัยาตาแล้วรู้สึกเหมือนได้ตัวข่าอะไรที่บางทีเดินตางแบกบ เดินต่อรองเท้าเหยียบก้อนหินเลยเนี่ยห้องน้ามีต่อการห้องแต่คนเป็นร้อยเนี่ยจีตมันรู้สึกมันมันเรารู้สึกมันนานเเนี่ยมันก็เกิดความละางมันก็เห็นจิตตัวงไปชัดขึ้นเดี๋คนเดินกระโดงเนาะเตะเนาะไม่รู้ว่าขั้นมีจะนอนไหนแต่ก่อนเลยต้องจัดสรรที่ดับที่นอนไม่เตะกออาหารตัวอื่นกิน ก็ต้องไปขอพี่พระบาไปขอจตกพระทีีนนะมันก็เกยจิต ใ, ใ, ใจจงนขึ้นจิตใจก็ยอมรับในการที่อยู่กความไม่แน่นอนได้มากขึ้นอันนี้หรือว่าอยกัความระบาดได้มากขึ้นอันนี้ก็มีการจัดสารด้วยอัตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่พิการสุขาพเราเหมือนกันเนาะนอกจากแบบตอนแรกที่บอกว่าการพิจารณาโดยแยกาแคาเรยแยงเราไม่ได้บานะงทีทาแบบทาแบบซูแบบ้อืเราไม่ได้นะ ทีก็ต้องสังเกตดูได้ทำทำไปทำไมม่นห็นก้าหน้าหรือทำต้นนาแล้วทไหนก็ลูกขึ้นไม่ลูกขึ้นอะไรเิไปแบบนี้เือยทีเราต้องพิจารณาเลยหรือว่ามันอาจจะเกิดจากการวางใจของเรามันมันยิ่นแค่มันไปเนาะหรือเ็กประคองอละาสียนาฬิกาเนาะก็ต้องสังเกตหรือทำไปไมทำ ทำไปก็เคยไปเพิ่มไปเรื่อยก็กีดเลยพราะเราทาแบบกอมเด็กขึ้นไปนองยเงินพอนไปนะเพิมแบบก็ต้องตกีดเลยทให้มันปัจจัยขึ้นนะอันนี้คือเนี่ยนะนอกจากปัจจัยภายนอกที่ต้องมาใส่กันยันบีใส่สถานที่หรือใส่รูปแบบบ้างสิ่งภายในของเราเองเนี่ยที่จะเป็นตัวเตือนของเราเอ ากาลับมาดูตัวเองอยู่เส ม, มอมาพิาานะาจารณาดูว่าะหรือว่าการทําในใจนะใหรือว่าเอ่อก้อนนี้มันจะเป็นส่วนประกอบกัไ น, นะนะให้เราให้เราได้ปฏิบัติแต่เรื่นี้นะก็าเราเิดความก้าวหน้าในการภาวนาไมได้ก้าวหน้าเพื่อจะแข่งใครไมได้ก้าวหน้าเพื่อจะหวงใครนะไมได้ก้าวหน้าเพื่อจะหวังอะไรนะแต่เราเก้าวหน้าเพื่อ ย, ยกหลับจิตใจให้มันออกจากความปุ๊บ เพื่อให้ความรู้ทางกิเลสกัญหาเพิ่มเกิดข yep. ึ้นกิเลีกัญหาเรื่องครอบครับิดใจเรื่ององตนใชีวิตของเรามีความกุดมคล้อยชีวิตเราพบทางที่เรียกว่าเกิดความสุขมากขึ้นง่ายขึ้นเราสามารถเอาชีวิตของเราเนีหลคือเอาประสบการณ์เราเนี่ยแบ่งไปกับคนใกล้ตัวเราให้เราคนที่เราเกี่ยข้องได้ เป็นการเกิดภาวที่พวกเระสาปนานนั่นคือเรื่องที่กลัวเราแต่ที่นี้ต้องว่ารอเราจเป็นพระโสดาวันก่อนนะาของเราถึงจะมีคุณค่าไม่ใช่หรอกแค่บางทีเราทำงานแล้วเกิดปัญหาเกิดขึ้นถ้าเราลุกทานใจเราเราไม่รอที่บุดบิกแต่พอเรารุกทานะเราอาการบิงมันแบบไปเราก็ใช้สติเป็นงานแค่ปัญหาแต่เรือนีก็ดี แต่บีเราหุดหิดเราโกคนที่คนที่เป็นที่เกี่ยวข้องอะไรบางทีก็ะเป็นหงุดหงิดหรือว่ากตามมีไหเรางทีเราทางากับคนที่ใจร้อนเนี่ยเราก็จะร้อนเลยหรวอลวตามนะกลัวตามกลัวจะปิดาหถึองคนทำากับคนที่เราดุดนะบาีก็จะทาให้เราเกรงเกรงเี่ยงอะไ่ง่ายแต่ถ้า เราใจเย็นเราใจดีแล้วผลที่ทำมาของเราเขาก็คือมีความสบายใจเมื่อสบายใจโกกรกขาดปิดผ่านก็เลาะงไปใช่ไหมแต่ก็ไม่ใช่ใจดีจะท่าแบบปลอดภัได้เลยก็ไ่ใช่นะอะไรที่มันไม่ถูกนะอะไรที่มันผิดเราก็ต้องตัดเตือนหรือว่าแนะนําแต่ถ้าแนะนําลยนะเป็นอะไรนิหรือว่าแนะนำํนะน ำ, นนนำว่า นี่คือตีที่เราปฏิบัติัองนะแล้วก็แบบนี้ของเคื่อขึ้นมา ก, ก่ก <c oughs> องีืองบในวันในการเริตนต่อค่ะ <c oughs> ก็เปลี่ยนแปลงไปสงบเย็นขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าตรงนั้นเราก็มาถูดตามแต่ด้เกิดว่าเราทําไปแล้วก็เจ็บกดมากขึ้นมันนะทำไมเจ็บกดมากขึ้นก็คืออาจจะต้องอดทนเลย่องนั้น้นี้อาจจะอดทนได้นานขึ้นตามอายุมากขึ้นอาจจะเจ็บซ่อมได้มากขึ้นแต่บางเวลาที่เกิดโมโหขึ้นมาก็อาจจะระเบิดออไปรุนแรงกว่าเดิม ท่าอย่างนั้นก็แสดงว่าการปฏิบัติของเราต้อ ง, องมีปัญหานะแะน่ๆนั้นคือตรั้นี้นก็อยากให้พวกเราได้ได้ลองดูได้ลองได้ล อ, นะอเรียว่าค่อยๆสังเกตการปฏิบัติของเราวันประมานันต่อวันอย่างที่เรียกว่าอย่างที่อย่างที่บัเนี่นยก็จะมใีในข้าวตัสาร ก็จะมีแบบมีพรนะใหม่ๆหม่ที่เข้ามาไปทำกันาบางทีเรียกว่าตัวเองก็เหมือนแบบยังไม่ทันได้รู้ตัวนะาาก็จับโลงเข้าวัดแล้วก็มีนะซึ่งบางทีนั้นก็หมายความว่าชีวิตที่อยู่ข้างนองกอาจจะเป็นชีวิตที่คนอื่นมองแล้วว่าเหลือทนแต่เจ้าตัวอาจจะมองไมงเห็นเ <c oughs> วลาเหลือทนหรือเปล่า เรามาถึงนั้นก็จะกระอาไปจบทไป่า้มันพอง่าไปสองสาเดือนในช่วงพรรษาบางรูปเรากลาพูดว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปนะซึ่งตอนนั้นเราก็มองภาพรวมของการอยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นมาจนถึงถึงมรรลุนี้ทีนี้เราก็มองเรากับก็สร้างขานวโทนนากับบมีความเปลี่ยนไปนะครับก็ สังเกตการอยู่การคลุกคลีกับผู้คนในหลายๆอยางการใช้เข้าใช้ข อ, เ อ, องเข้ า, า, า, ขา ห, าหายอยา้องน้ําการเปิดน้ําการเปิดปั๊มปิดปั๊ประธานารหลายๆอย่างตรงนี้เราก็เห็นว่าอย่างไม่ท้าไม่เคยรู้จักถ้าไม่เคยรู้จักกันตอก่อนไม่เคยหวาว่าการสอนอก็ยังคนที่ร้อยเรียบร้อยคนนึงเกิดขึ้นมาเหมืนกัน ปิัติทาผ่านไปสองจำเรียนี้พอเบอกว่าตเปลี่ยนแปลงก็เชื่อเลยเลยว่าเปลี่ยนแปงเพราะว่านั่นคือเบอกว่าชีวิตเมืก่อนมันแยกมากๆอย่างอย่างบางทีล่องเรามีตอนเยกว่าการใช้ชีวิตเราอย่างที่วัดก็จะมีอย่า่งบางทีเหมอนกับอาจจะสะเทเมาหนปัดเปินอาจจะอยู่ไม like e. totally <so> ่ครบอย่น ตั้งแต่อ hmm. ูยุยงไม่มากอย่างเง้นะหรือว่าล่องลอยของผิวพัรณของความเสื่อมโทรมที่อยู่กับใบหน้าบ้านนะหน้ายิ้ยิ้มทัหมดน้าพอเวลาตาดไปครับสิ่งตหลนั้นก็พางเลยตรงนี้เราก็ได้ควงเห็นอันที่สมของการปฏิบัติธรรมนั่นกคิดว่านี้ก็คือสิ่งที่แบบก็ดี มีพ่ออยู่รูปหนึ่งก็บอกมา่าเใช้คอมพิวเตอร์นะแล้วนีไม่ใช่เริ่มต้องจากการที่แบบวันหนึ่งเลกเบื่อเล่นเบื่อที่จะออกไปกินร้านกับเพื่อนก็เลยเหมือนกับไปมากลับมาแลมันก็มาเปิดฐานดูว่า มันมีการสอนปฏิบัติธรรมในยังไงบ้างอะไรต่างๆก็มาปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินะปรากอว่าพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปรู้สึกมากตัวเองเหมือนกับเข้าที่เข้าถามมากขึ้นก็บอกกับภรรยาที่อยู่ด้วยกันว่าเออเช่นนี้เราก็แยกก็งอกรันกันมากขึ้นปรากฏว่าก็ ปฏิบัติต่อไปถึสักหกนะเจ็ดเดือนนะก็เรลมถ่านทอดมันจะถ่ายทอดนะถ่ายเพ็มนะให้กับคนอื่นแล้วก็อีกสามเดือนตะัดมัน ก, ก็มาปวดก็เราก็นะออมองเห็นว่าสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่น้ามันที่เราเห็นอยนี้นะก็เป็นสิ่งที่สอดคล้องกันเพราะว่าเราได้เห็น สิ่งที่เอ่อมีค น, คนเาารีร้อยเรียบร้อยคนข้าทางปฏิบัติธรรมแล้วก็ตั้งใจดีตั้งใจไปที่มาอะไรต่าตงๆตรงนี้นะมันก็เป็นสิ่งที่บางทีใความเปลนแปลงตรงนี้เราก็ได้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแล้วกสิ่งที่เขา ส, าสัมผัสสัมพันธ์ตะกุ้งหรือความน่าดึงดูดในตัวเองความน่าดึงดูดในหมู่ในกลุ่มในปัจจุบันตรงนี้นะเราก็จะเห็นว่าการปฏิบัติธรรมก็ ช่ยชีวิตน้ำของตัวเองก็ดีขึ้นนั้นก็การเกี่ยวข้องกับผู้อื่นก็ดีขึ้นตรงนี้ก็เป็นอนิสงส์ของการปฏิบัติธรรมที่มองเห็นได้ชัดเจนก็อยากให้ทดลองได้ลองลองแบบมองตัวเองดูให้กำลังใจตัวเองดูแล้วก็ปรับเปลียนแก้ไขสิ่งต่างๆที่เรื่องที่เกิดขึ้นในวันการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ การกีะทราก็ครงการก็เป็นไปเพื่อจะให้กวกบอนเนี่ยได้มีทุกน้อยลงไปกระแทกได้มีทุกนที่สิบคือทุกคนนะที่ก